เหตุไรตัวตนในความฝันบางครั้งจึงมีชีวิตอันที่จริงเี่เราตั้งข้อสังเกตดังต่อไปนี้เราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นกล่าวคือตัวตนในความฝันและเหตุการณ์ที่พบในความฝันส่วนมากเป็นเรื่องไร้สาระเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆเป็นเพียงมโนภาพเท่านั้น ส่วนในกรณีของคนที่ฝันเห็นของจริงนั้นไม่ใช่มโนภาพอย่างแน่นอนโดยเฉพาะตัวตนหรือร่างกายของเราที่ปรากฏในความฝันนั้นเป็นตัวตนที่มีชีวิตเป็นตัวตนที่มีอยู่จริงๆการที่ตัวตนในความฝันแตกต่างกันเช่นนี้ก็เพราะว่าในขณะที่เรานอนหลับอยู่น้อยครั้งมากที่จะหลับได้อย่างสนิทจริงๆจนกระทั่งมีกายทิพเกิดขึ้นมาใหม่ ส่วนมากหลับไม่ค่อยสนิทหรือถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราหลับสนิทแต่เหตุการณ์ในความฝันก็จะบอกให้รู้ว่าในขณะที่เราหลับนั้นใจไม่ค่อยสงบมีความฟุ้งซ่านมากความฝันจึงได้เปรปะขอให้สังเกตว่าสําหรับบุคคลที่นอนหลับแล้วฝันเปรปะนั้นอํานาจของจิตมีน้อยเพราะความรู้สึกของวิญญาณส่วนใหญ่ กระจายอยู่ทั่วร่างกายและพร้อมที่จะตื่นง่ายในเมื่อมีเครื่องเรา้าเพราะเหตุที่อานาจของจิตมีน้อยนี่หละตัวตนที่เกิดขึ้นในความฝันจึงยังไม่มีชีวิตแต่คนที่นอนหลับสนิทได้มากจนกระทั่งมีกายทิพย์เกิดขึ้นมานั้นพลังของจิตในตอนนี้มีมากเพราะไม่มีความฟุ้งซ่านและอานาจจิตได้มารวมกันเป็นจุดเดียวฉะนั้น พลังจึงได้มีมากเมื่ออำนาจของจิตมีมากรูปร่างหรือตัวตนที่เกิดจากอำนาจจิตที่มีกำลังมากเช่นนี้จึงได้มีความสมบูรณ์กว่าตัวตนที่เกิดขึ้นในความฝันที่เปรปะักความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นคืออย่างหนึ่งพลังของจิตที่สร้างร่างกายในความฝันมีน้อยแต่อีกอย่างหนึ่งพลังจิตมีมาก หนควรจะทราบไว้ด้วยว่าโดยธรรมดาทุกคนก่อนที่จะตายจะต้องได้พบตัวเองเหมือนกับในความฝันและตัวตนที่เกิดขึ้นในขณะที่จวนจะตายนั้นถึงแม้จะมีลักษณะอย่างเดียวกับตัวตนในความฝันก็จริงแต่ก็ขอให้สังเกตว่าอานาจจิตของคนที่จวนจะตายนั้นมีพลังสูงมากทั้งนี้ก็เพราะประสาท ต, ต่างเริ่มรู้สึกชามีรับรู้ต่อสิ่งภายนอก เช่นทางหูก็ไม่ค่อยได้ยินอะไรแล้วตาก็มองไม่เห็นอะไรแล้วความรู้สึกในร่างกายโดยทั่วไปก็ไม่มีในตอนนี้ละ่ะจิตมีพลังสูงมากเพราะความรู้สึกของจิตใจทั้งหมดได้มารวมเป็นจุดเดียวกันเพื่อสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ทั้งนี้ก็เพราะด้วยสันดานของคนเราทุกคนไม่มีใครอยากตายทุกคนต้องการมีชีวิต และความต้องการที่จะมีชีวิตก็รุนแรงที่สุดขอให้สังเกตจากคนที่กำลังมีอันตรายที่จะทำให้ตายจะพบว่าความกลัวตายนั้นรุนแรงขนาดไหนความกลัวตายก็คือความอยากมีชีวิตและจะพบอีกว่าทุกคนในขณะที่รู้สึกตัวเองว่าอาจจะต้องตายนั้นเขาจะไม่นึกคิดถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากจะคิดต่อสู้กับความตายเท่านั้น ความรู้สึกอันนี้มีเหมือนกันหมดทุกคนและเพราะเหตุที่ความรู้สึกต่างๆได้มารวมกัน <S <S เนื่องจากประสาทต์ต่างๆค่อยๆหมดประสิธทธิภาพไปโดยลาดับเมื่อความรู้สึกมารวมกันเป็นจุดเดียวกันพลังหรืออำนาจจิตจึงได้มีมากและมีมากเป็นพิเศษทีเดียวขอให้สังเกตว่าคนตาบอดมักจะหูไวเหมือนคนหูหนวกมักจะตาไว กล่าวคือประสิทธิภาพในการฟังหรือการเห็นจะเป็นไปอย่างรวดเร็วแจ่มแจ้งและจำได้นานทั้งนี้ก็เพราะในเมื่อความรู้สึกทางตาหรือทางหูไม่มีเพราะตาพิการหรือหูพิการความรู้สึกเมื่อไม่แสดงออกทางหนึ่งก็จะออกมาอีกทางหนึ่งและทำให้ประสิทธิภาพของตาหรือหูสูงขึ้นเพราะเหตุนี้คนตาบอดจึงหูไวมากและคนหูหนวกก็ตาไวมาก จากตัวอย่างในทํานองนี้เราก็จะเข้าใจได้โดยไม่ยากว่าทำไมคนที่จะตายอำนาจจิตจึงได้สูงมากทั้งนี้ก็เพราะความรู้สึกทั้งหมดได้มารวมเป็นจุดเดียวกันเพื่อที่จะสร้างชีวิตขึ้นใหม่หมายเหตุผู้อ่าน อา จ, จะมีคนค้านว่าบางคนก็ไม่กลัวตายอย่างเช่นคนที่กําลังฆ่าตัวตายนั้นข้อนี้ขอให้เข้าใจนะครับว่าความกลัวตายนั้นอยู่ในจิตใต้สํานึกแม้แต่คนที่กําลังฆ่าตัวตายนั้นถ้าจิตใจเป็นปกติดีหรือมีเวลาคิดทบทวนได้มากพอหรือจิตสงบมากพอแล้วก็ย่อมจะเห็นได้ชัดว่าจิตลึกๆหรือจิตใต้สํานึกนั้นถ้าไม่ใช่พระอระหรันย่อมมีความกลัวตายกันทุกคนนะครับ ความกลัวตายก็คือความอยากมีชีวิตซึ่งก็หมายถึงมีกิเลสคือมีความอยากความต้องการความปรารถนาสิ่งที่เป็นสุขให้กับตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนติดในรถอาหารยังมีความต้องการอยากจะกินจิตก็จะพาไปสร้างร่างกายในภพภูมิหรือสภาพชีวิตที่ต้องมีการกินคนที่อ้างว่าไม่กลัวตายและกาลังฆ่าตัวตายนั้นไม่ใช่ว่าไม่อยากมีชีวิต สุดท้ายก็แค่การไม่ได้สุขอย่างที่ต้องการหรือความไม่ได้อย่างใจซึ่งความอยากความต้องการหรือตัณหาในใจนั้นก็คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคนๆ น, นั้นยังต้องการมีชีวิตยังต้องการสวยความสุขจึงต้องย้ำไว้อีกนะครับว่าความกลัวตายที่ว่านี้เป็นส่วนที่อยู่ลึกในจิตเป็นระดับจิตใต้สานึกไม่ใช่สภาวะที่เกิดจาอารมณ์ชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวนะครับ ตามหลักพระพุทธศาสนาได้มีกล่าวไว้อย่างหนึ่งว่าคนที่ได้มโนมยิทิจะสามารถสร้างกายทิพขึ้นมาได้ตามความตั้งใจทุกครั้งตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการจะไปเมืองนอกหรือจะไปที่ไหนก็ตามสำหรับคนที่ได้มโนมยิทิก็ไม่จำเป็นจะต้องไปด้วยกายเนื้อเสมอไปเพราะเขาสามารถเข้าสมาธิแล้วสร้างกายทิพขึ้นมาได้ทันที ซึ่งกายทิพย์ที่เขาสร้างขึ้นมานี้จะสามารถเห็นอะไรได้ได้ยินอะไรได้ตรงตามความจริงเหมือนกับที่คนอื่นเห็นและได้ยินและตามหลักได้กล่าวไว้ว่าคนที่จะได้มโนโมยิทินั้นจะต้องได้สมาธิขั้นสูงอย่างน้อยต้องได้ฌานที่สี่และต้องมีความชำนาญในการเข้าฌานนี้ด้วยเวลาจะสร้างกายทิพย์จะต้องเข้าฌานนี้ก่อนเมื่อสมาธิ ได้มาตรฐานจริงๆแล้วกายทิพย์ก็จะเกิดขึ้นตามความตั้งใจจากหลักวิชาที่กล่าวมานี้ท่านก็จะเห็นได้ชัดว่าคนบางคนเมื่อนอนหลับสนิททำไมกายทิพย์จึงเกิดขึ้นมาได้หลักสาคัญมันอยู่ตรงที่ถ้าผู้ใดสามารถรวบรวมกําลังจิตไว้ได้มากประสิทธิภาพของจิตก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงสามารถสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้ ซึ่งก็เป็นร่างกายที่มีชีวิตมีประสาทครบถ้วนสามารถที่จะเห็นหรือได้ยินอะไรได้ตามความเป็นจริงอันหนึ่งขอให้สังเกตว่าคนที่มีจิตไม่สงบกําลังจิตอ่อนในเวลาหลับตานึกสร้างภาพภาพที่ปรากฏในใจจะไม่ชัดหรือบางทีก็อาจจะไม่ปรากฏเลยแต่ตรงกันข้ามถ้ามีสมาธิดี ภาพที่นึกขึ้นมาจะชัดแต่ถึงจะชัดอย่างไรก็ยังไม่เหมือนกับเห็นด้วยตาในเมื่อเข้าสมาธิไปแล้วหูก็ยังได้ยินทางร่างกายก็ยังรู้สึกตัวว่านั่งอยู่อย่างไรหรือเวลามีอะไรมาถูกตัวก็รู้สึกแต่ถ้าหากคนไหนสามารถเข้าสมาธิได้ลึกจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวหูก็ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกแต่มีความรู้สึกอยู่ภายใน คล้ายกับคนที่นอนหลับสนิทแล้วฝันแต่ก็แตกต่างกับความฝันเพราะคนที่เข้าสมาธิแบบนี้มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจอยู่ทุกขณะควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้ดีไม่มีอาการเปะปะหรือเลื่อนลอยเหมือนกับอยู่ในความฝันสำหรับบุคคลที่เข้าสมาธิได้อย่างนี้เมื่อตั้งใจจะนึกถึงภาพอะไรขึ้นมาภาพนั้นก็จะปรากฏชัดเหมือนหนึ่งเห็นด้วยตาเนื้อทีเดียว นี่ก็คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในเมื่อสามารถรวบรวมกำลังจิตได้ดีมากมโนภาพที่เกิดก็ชัดเจนมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีชีวิตคนที่จะสามารถเข้าสมาธิไปได้ลึกจนกระทั่งสร้างกายทิพย์ที่มีชีวิตขึ้นมาได้นั้นสมาธิต้องสูงมากเป็นพิเศษดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าอย่างน้อยจะต้องได้ชาตที่สี่และต้องมีความชานาญในการเข้าชานี้ด้วย ขอให้เปรียบเทียบดูว่าในเวลานอนหลับทำไมจึงมีตัวตนเกิดขึ้นในความฝันและเห็นภาพต่างๆได้ชัดเจนถ้าหากว่าหลับได้สนิทมากเหมือนกับคนที่ได้สมาธิขั้นสูงซึ่งสามารถสร้างภาพได้ชัดเจนแต่อย่างไรก็ดีสำหรับในกรณีที่จะสร้างกายทิพย์ที่มีชีวิตขึ้นมาได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอานาจของสมาธิอย่างเดียว แต่ต้องขึ้นอยู่กับพื้นความรู้และความรู้สึกอย่างอื่นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะก็คือความยึดมั่นในตัวตนหรือความเป็นห่วงตัวเองต้องมีน้อยและพื้นที่ว่านี้ต้องมีเป็นนิสัยเมื่อเข้าสมาธิไปลึกแล้วจึงจะสามารถสร้างกายทิพย์ขึ้นมาได้ซึ่งเป็นกายทิพย์ที่มีชีวิตและมีประสาทใช้การได้เหมือนกับกายเนื้อแต่ก็พิเศษกว่ากายเนื้อหลายอย่าง ถ้าหากว่าท่านเข้าใจหลักวิชาที่กล่าวมาโดยสังเขยนี้จมแจ้งดีท่านก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าเพราะเหตุไรบางคนในขณะที่นอนหลับสนิทจึงมีกายทิพย์ที่มีชีวิตเกิดขึ้นมาได้และทาไมทุกคนในขณะที่กำลังจะตายจะต้องได้พบตัวเองในลนักษณะของกายทิพย์เกิดขึ้นซึ่งหลักที่ว่านี้เป็นความจริงแก่ทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นเลย แต่ถ้าจะมีข้อยกเว้นก็มีเฉพาะแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นเพราะพระอาหารหันต์ไม่มีตัณหาอุปาทานส่วนบุคคลอื่นนอกจากนี้ย่อมมีตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานที่มีในสันดานหรือพูดอีกนัยยะหนึ่งก็คือความอยากมีชีวิตอยากมีตัวตนและความยึดมั่นในตัวตนยึดมั่นในความปรารถนานั้นอย่างเหนียวแน่นที่สุด ประกอบกับความสามารถในการสร้างชีวิตของวิญญาณซึ่งมีอยู่เสมอตลอดเวลานั้นอันนี้คือตัวการสําคัญที่ทำให้เกิดชีวิตหรือมีน้ามรูปขึ้นมาฉนั้นปัญหาจึงมีอยู่แต่เพียงว่าอยากจะสร้างหรือไม่อยากจะสร้างเท่านั้นถ้าความอยากที่จะมีตัวตนไม่มีเลยคือตัณหาอุปาทานไม่มีสาหรับบุคคลประเภทนี้เวลาจะตาย จะไม่มีโตตนอะไรเกิดขึ้นจงพยายามศึกษาให้เข้าใจจริงๆถ้าหากอำนาจของจิตมารวมกันมากขึ้นเพียงไรประสิทธิภาพในการสร้างมโนภาพก็จะมีมากขึ้นเพียงนั้นแต่ถ้าอำนาจจิตมีน้อยก็สร้างภาพขึ้นมาได้ไม่ชัดและไม่มีชีวิตแต่ถ้าอำนาจของจิตทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในร่างกายมารวมเป็นจุดเดียวกันแล้ว ก็จะมีประสิทธิภาพในการสร้างมโนภาพให้มีชีวิตขึ้นมาได้ทันที